เรามีความรู้ความหลงเกิดขึ้นมาตรงๆโง่ๆมาช่ยฉลาดความหลงน่ะเหมือนกบกวนเฉยเฉยเราก็รู้เอารู้เอาซะเปลี่นหลงเป็นรู้เนี่ยทำไมมันเป็นฝึกให้เป็นอย่างเนี้ยนี่ว่ากรรมฐานไม่ใช่เรียนรู้ตามโรงเรียนตามสถาบันต่างๆเร า, าก็ได้ความรู้กันทุกคนแหละเป็นเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ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 ผมโกรธไม่ถูกต้องไม่ชอบทวามไม่โกรธถูกต้องชอบทำเฉดดายตรงนี้ในเวลานั้นถ้าเฉดแล้วแต่ที่จะได้ประโยชน์กลายเป็นโทษใช่ผิดก็กลายเป็นโทษใช่ถูกกลายเป็นประโยชน์ในตัวเรานี่ประโยชน์ถึงที่สุดคืออัตยิมันดาประโยชน์โลทัจยิยประโยชน์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 คือโลกอันโลกของโกรธเนี่ยอันเดียวไม่ใช่คนละอย่างอย่างน้อยก็ต้องเปลี่ยนความโกรธเป็นความเมตโกรธมีสติไม่มีใครช่วยเราได้อันเนี้ยเราต้องช่วยตัวเองอันโลกภายนอกมีหมอเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยพยาบาลช่วยเราหลวงตาเคยอาศัยพยาบาลอาศัยหมอเนี่ยเป็นเทพธิดาเทพวดของเราเลยถ้าไม่มีคนพวกนี้เราไม่ไม่รอดนะ หายใจไม่ได้แล้วหายใจไม่ได้ก็หายใจคนเดียวเองไม่มีใครมาช่วยเราได้เจ็บก็เจ็บคนเดียวถ้าเราไม่ฝึกนะ่ะจนที่สุดเวลานั้นะแต่ถ้าเราฝึกมันยิ่งมีชัดเจนเวลานั้นนะมันมีเรื่องเดียวคือเจ็บไม่เรื่องเองินไม่มีเลยเจ็บก็คือเจ็บใหญ่ที่สุดเวลามันเจ็บมันก็อยู่กับเทว น, นั้นมันก็เห็นแจ้ง หายใจไม่ได้ก็เห็นเรื่องหายใจไม่ได้ไม่มีเรื่ององนที่จะเกาชุยกระเจียเป็นโซนตัวมันจนเวลานั้นความเจ็บก็พาให้จนหายใจไม่ได้ก็พาให้จนจะทำไงเมื่อยอมสงบแล้วไม่ฝึกยอมจึกเราก็ลบไม่เป็นฝึกอย่างเนี้มันไปถึงนูน้นจงเหนือกลางเกิดเจ็บเจ็บตายพอเห็นมันเห็นมันเจ็บไม่ใช่เป็นผู้เจ็บ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 เอามาตั้งต้นกันใครก็เหมือนกันจะจบปัญญาสาขาไหนกตตนตน็ต้องต้นตรงนี้แล้วสี่ลัทธจบมาสาิบเจ็ดศาสตร์เป็นเจ้าว่าชายเลี้ยงจริงแต่ต้องมาตั้งต้นที่นี่ไม่เอาแช่โอศาสตร์นั่นมาเป็นสิ่งต่อรองแล้วก็มีกายมีใจเนี้ตั้งต้นก็จะมีสติเห็นกายเนี่ย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 จักระพัติลาชได้คลองในทวีปทั้งเกตนี้ได้เราจะมานั่งอยู่ใต้ต้นทัวได้ไงังไงทิมพาก็ยังดูดาวหุนก็ยังมีอยู่เราสมหวดรัพย์จินเดินงคาดยังไม่อยู่ปัสาสาวะจดูยังไม่อยู่มีสิทธิของเราสาวสนมกำนานไหนทั้งหลายเต็มพระราชวัวงอยู่เวลานอนกลับก่อมให้บู บ, บรุษเพียพน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 การคู่แขนเขา้าการเหยียดแขนอขอกให้รู้เนี่ยนอกจากกระโพรงอาจจะเดินยงกลมอยู่ด้านทิศเหนือสีมหาโพธิ์อนดาไปเห็นอยู่ที่ไหนๆที่ผู้เจ้าอยู่มกักจะมีทางเดินยงกลมป่าสีปัตนะก็เดินยงกลมอยู่โ้นเดินยองกมอยู่ค่อยจะสว่างยอดสาวคนบดออกจากเงืองมาร้องมา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 โล่งแจ้งสติเวลาเห็นตัวเจ้าออกมาเมตตาบาดโอ้ยไม่รวยเจ้าอะให้นาะมีแต่อาบน้ํากระถังเปล่าแล้วเห็นข้าวคั่วอยู่ในพวกสิ้นไปเปิดพวกพี่หรือเปล่าเลยเอาเข้าวคั่วให้ว่าเจ้าไปกินนะว่าให้เรากตกใจเอ๊ะท่านจะฉันให้หรือเปล่าน้อน่าเกลียดนะ่ะข้าวคั่วเพียงนิดน่อยอยู่ในพวกสิ้นเราเนะ่ะ